จะป่วยไปไกลอย่างไรสังขารที่อย่ภวยนอกาพามได้ฟังแล้วก็คลายความโศกแล้วก็ได้บรรลุส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่ามีพี่ชายสองคนแล้วก็พี่น้องน้องชายก็เกิดดังที่ได้เคยกล่าวบอกว่าเกิดไปกระทาไม่ดีน้องชายเนี่ยไปกระทําผิดต่อพี่ชายโดยไปกระทาไม่ดีมีร้ายกับกับภรรยาของพี่เนี่ยแล้วก็ภรรยาก็ยุยงให้ฆ่าให้ฆ่าพี่ ด้วยความหลงน้องก็ทําทําตามเนี่ยนะพอทําตามแล้วเนี่ยพี่ชายนั้นยังรักภรรยาอยู่ก็ไปเกิดเป็นงูต่อมาก็งูก็ไปอยู่ใกล้ๆด้วยความรักภรรยาก็ฆ่างูตายงูก็ไปเกิดเป็นสุ น, นัขต่อมาก็ตามไปจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านเยอะหยันแล้วก็ฆ่าอีกสุ น, นัข ก, ก็ไปเกิดเป็นโคในบ้านโคก็ตามภรรยาอยู่เสมอหญิงนั้นได้รับความอายก็ฆ่าโคแต่นี้ ต่อมาก็มาเกิดเป็นลูกทีนี้พอมาละลึกชาติได้ก็รังเกียติแม่ของตอนเองอยู่ต่อมาก็พากันร้องฮ่าแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ตาฟัง mm. ก็พาตาไปบวชแล้วได้เปรลูกกันทั้งคู่เนี่ยตรงเนี้เชื่อเห็นบอกว่าการมีกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนถ้ากิเลสหมดเนะ่ยความสุขถึงจะเกิดได้ฉะนั้นในมงคลทั้งที่ได้กล่าวมาในคาถาที่สิบเนี่ยนะมีอยู่สี่มงคลก็คือจิตไม่ห ว, วั่นไหว เมื่อถูกโลกกระทถูกต้องจิตไม่มีความโศกจิตที่ไม่มีกิเลสจิตที่กเกษมจากโยคะทีนี้ในตอนท้ายของสูตรนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อบอกว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงนี้ชื่อว่าเป็นมงคลอัตถกถาท่านก็บอกว่าพระผู้มีภาคเจ้าแสดงมงคล38ประการด้วยคาถาสิบคาถามีบอกว่า อาเสวานายภาระนางเป็นต้นเนี่ยจนจบแล้วเนี่ยเมื่อทรงจะสรรเสริญมงคลเหล่านั้นจึงได้ตรัสคาถาสุดท้ายบอกว่าผู้ที่กระทำมงคลเหล่านั้นย่อมไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงคำว่าไม่พ่ายแพ้ในที่นั้นน่ได้แก่การไม่พ่ายแพ้ค่าศึก4ีระการนะคือไม่พ่ายแพ้แก่ขันสไม่พ่ายแพ้กิเลสสไม่พ่ายแพ้อภิสังขาร4 ไม่พ่ายแพ้แก่เทวปุตตมานก็หมายความบอกว่าไม่พ่ายแพ้แก่ขันก็คือว่าขันเนี่จัดว่าเป็นมานใช่ไหมเมื่อจเจริญหรือว่าทํามองคลให้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่พ้นจากรูปไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จะพ้นจากกิเรติแล้วก็จะพ้นจากอภิสังขารคือปุญญาปุญญาและอนเนญชาแล้วก็จะพ้นจากเทวปุตตมา น, นมานที่จะมาตามมาลาวีเราไม่ได้อีกแล้วเพราะเราเข้าปรินิพานเนี่ยหนีมานได้ ฉะนั้นการที่จะพ้นจากฆ่าศึกทั้งสี่ประการได้ก็จะต้องเป็นพระอรหันต์จึงจะพ้นได้เมื่อไม่พ่ายแพ้ก็มีความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคือทุกอิริยาบถความเดือดร้อนอันใดอันเกิดจากการคบคนุมพานเป็นต้นก็จะไม่มีนะในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาในมงคลสูตรเนี่ยมีเทวดาบรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงแสนโกดนะที่เป็นพระโสะดาบันเป็นพระสะกาธ า, ามีเป็นพระนาคามีนั้นมากมาย รุ่งเช้าเนี่ยพระผู้มีาภาคเจ้าก็ตรัสเล่าให้ท่านพระ อ, อนุนฟังเทวดามาถามมงคลปัญหาพระ อ, องค์ก็แสดงมงคล38ประการแก่เทวดาแล้วตรัสให้พระ อ, อนล น, นเรียนมงคล38ประการนี้ไว้ซึ่งท่านพระ อ, อ น, นุก็เรียนแล้วแล้วก็บอกกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเรียนจึงมีผู้เล่าเรียนสืบกันมาจนบัดเนี้ยนี่ก่อนที่จะจบมงคลน่ะอัตถกถาท่าน ยังได้แสดงความเกี่ยวข้องกันของมงคล38ไว้ท่านแสดงไว้บอกว่าผู้ที่มุ่งความสุขในโลกนี้และโลกหน้าท่านบอกว่าเออถ้าปรารถนาความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่นะตลอดถึงความสุขในพระนิพพานเพราะไม่คบคนพาลแต่คบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาอาศัยการที่ทาบุญไว้ในปางก่อนจึงได้เกิดในประเทศที่สมควร เตือนให้ใจได้ทำกุศลตั้งตนไว้ชอบสดับตรับฟังมากศึกษาศิลปะวินยัยกล่าววาจาที่เป็นสุภาษิตเมื่อยังเป็นครือหัดก็ต้องใช้หนี้เก่าคือบำรุงมารดาบิดาและใช้หนี้ใหม่คือสรงเคาะ์บุตรภรรย า, าการบำรุงบานดาเนี่ยเขาเรียกบิดานี่ยเขาเรียกใช้หนี้เก่านะใช้หรือยังยังไม่เพียรได้ใช้หนี้เก่ายังใช้ครบไหมใช้หนี้เก่าแล้วก็ ใช้หนี้ใหม่ก็คือทรงขอบุตรภริยาเมื่อประกอบการงานไม่คลั่งค้างก็ได้รับพวกกระซับนำพวกกระซับนั้นออกมาให้ทานให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและญาติเว้นบาปไม่ดื่มนะ้ําเมาทํากุศลให้เจริญด้วยความไม่ประมาทอาศัยความฉลาดในกุศลได้ละเพศกรหัสดออกบวชทําวัดข้อทําข้อวัดให้ดีมีการนอบน้อมต่อพระพุทเมียภาคเจ้าและพระสาวกตลอดจนอุปชาอาจารย์มีความเยี่ยนดีก็ตั้งอยู่ในสันโดษ เมื่อตั้งอยู่ในสันโดษก็ตั้งอยู่ในภูมิของสตร์บุรุษมีความกตันยุและความหมวดหูใจด้วยการฟังธรรมคอบงําอันตรายทั้งหลายด้วยขันติทําตนให้เป็นผู้เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติการเห็นสมณะกําจัดความสงสัยด้วยการสนทนาทำตามการทําความบริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยตบะคือการสํารวมอินทรีย์ทําจิตให้บริสุทธิ์พรหมจรรย์นนะฮะด้วยพรหมจรรย์จนถึงความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยการเห็นอริยสัจ ทำนิพพานให้แจ้งด้วยอารหัตผลเป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทั้งแเป็นผู้ปราศจากความโศกความปราศจากทุลีเป็นผู้กเกษมปลอดโปร่งจากโยคะจึงไม่พ่ายแพ้ถึงความสวัส ด, ดีในที่ทั้งปวงทั้งหมดเนี้ยเนื่องมาจากประพฤติมงคล38ประการนี่เป็นอย่างนี้นะสรุปก็คือว่ามงคล38นะั้นนหละมาจากคาถาที่พุทธเจ้าแสดงสิบคาถา คาถาที่1มีอยู่สมงคลคาถาที่สองก็3ามงคลคาถาที่สามก็มี4ี่มงคลคาถาที่สี่มีอยู่สี่มงคลคาถาที่ห้าก็มีอยู่4ี่มงคลคาถาที่6มีอยู่สามงคลคาถาที่7ดก็มีอยู่ห้ามงคลที่แปดมีสี่คาถาที่9้ามีอยู่4ี่มงคลคาถาที่10บก็มีอยู่4มงคลเนี่ยก็คือว่าการไม่ครบคนพานการคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควร การทำบุญไว้ในปางก่อนตั้งตนไว้ชอบการฟังมากึการศึกษาศิลปะวิเนียที่ศึก ษ, า, ก ษ, า, กษ า, าดีแล้ววาจาสุภาษิตการบำรุงมารดาบำรุงบิดาส่งค้อบุตรภรรยาการงานไม่อากูลทานการประพฤติธรรมการส่งข้อญาติการงานที่ไม่มีโทษการงดเว้นจากบาปสัมรวมจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคารวะการถ่อมตน ความสันโดษความกระตันอยู่การฟังธรำตามการขันติการเห็นการว่าง่ายเห็นจมมะสนทนาทำตามการและวก็ตบะพรมอาจารย์การเห็นอริยสัจการกระทําภนิพานให้แจ้งความไม่หวั่นไหวในโลกธรรมความไม่เศร้าโศกความไม่มีเกิเติแล้วก็จิตเกษมจากโยคะทั้ง38ประการเนี่ยแจกว่าเป็นมงคลนะก็เป็นนั้นว่าศึกษาในเรื่องของมงคลก็จบเนี